ขอให้เราลึกว่าพวกเราทุกคนยังเป็นผู้ศึกษาอยู่นะยังเป็นนักเรียนอยู่คำว่านักเรียนหรือว่านักศึกษานี่เป็นคำที่าาเงอะไพร่เราะมากนะ มันแสดงถึงความเป็นผู้ที่เปิดใจใฝ่รู้ถ้าเป็นนักอย่างอื่นนี่มันไม่แน่นะเพราะว่านักส่วนใหญ่นี่หมายถึงผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเช่นนักร้องนักพิชาการนักเขียนนักแสดงอันนี้ส่วนใหญ่ จะหมายถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่คำว่านักปฏิบัติก็ตามเวลาเรียกตัวงว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่ามันโก้รู้สึกว่ามีคุณค่าขึ้นมาแต่มันต่างจากคำว่านักเรียนนักเรียนนี่มันให้ความรู้สึกหรือความหมายที่แตกต่างจากนักอย่างอื่น มันให้ความรู้สึกว่าเรายัางต้องศึกษาเรายัางไม่รู้มากแต่ขณะเดียวกันนะมันก็แสดงถึงความเปลี่ยนพยายามที่จะรู้ตอนนี้เริ่มเมื่อเราเรียนแล้วเนี่ยนะก็ต้องมันทบทวนตัวเองเราเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องมันทบทวนตัวเองว่า ได้เรียนได้ศึกษาก้าวหน้าแค่ไหนจะเป็นนักเรียนในโรงเรียนทั่วไปเขาก็ต้องดูว่าเรียนแล้วนี่เป็นยังไงเก mm hmm. ่งไหมดีไหมมีสุขไหมเกนะ mm hmm. ่งดีมีสุขอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักเรียนในโรงเรียนเรียนแล้วก็ต้องอ ต้องเก่งแล้วต้องดีแล้วมีสุขพวกเราก็เหมือนกันจะเป็นนักเรียนนักปฏิบัตินักศึกษาก็ต้องดูตัวเองว่าได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไหมปฏิบัติแล้วก็เป็นคนดีมีความสุขนี้ก็ก็ดีแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเก่งด้วยเก่งในที่นี้ใช้คาอีกคาคือฉลาด เรามาฝึกฝนขัดเกลาวตัวเองความดีก็จะเลยงอกงามในใจแต่ถ้านั้นไม่พอนะก็ต้องมีความสุขด้วยคนที่ดีทำความดีแต่ไม่มีความสุขนี้ก็เยอะนะเพราะว่าบางทีก็สงสัยไว้ทำไมเราทำดีนะถึงไม่มีคนเห็น ทำไมทำดีถึงไม่มีใครเข้าใจหรือทำดีแล้วแต่ว่าถูกเป็นเบี้ยร่างถูกคนแกล้งเป็นประจำถ้าคนดีถ้าไม่มีอะไรเลยนี่ก็ถูกลังแกถูกเอาเปรียบได้แต่ถึงแม้ไม่มีใครเอาเปรียบบางทีก็ เ, เอาเปรียบตัวเองคนที่ดีแต่ว่าเครียดก็มีเยอะ เพราะว่าคนอื่นไม่ดีเหมือนตัวเพราะว่าคนที่เรารักเขาไม่ไม่ดีเหมือนเราถนะ้พาพ่อแม่ที่เป็นคนดีใฝ่ธรรมะหลายคนก็มีความทุกขนะ์ทุกข์ที่ลูกนี่ไม่ดีเหมือนเราหรือไม่ดีอย่างที่เราคิดอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะพ่อบางคนนี่ก็ มีเรื่องละหองระแหงกับลูกเพราะลูกนี้ไม่ค่อยสนใจธรรมะเหมือนพ่อเยิ่งเป็นคนสนใจธรรมะก็อยากจะให้ลูกเนี่ยมีความกตัญญูรู้คนมีความสุภาพรู้จักฟังพ่อฟังแม่พอลูกไม่มีแบบนี้หรือไม่ไม่มีเท่าที่ตัวเองต้องการก็โกรธแล้วโกรธก็เลยเกลียดวันหนึ่งก็ทะเลาะกับ ลูกนะลูกไม่ฟังไปเที่ยวบ้านเพื่อนพ่อห้ามก็ไม่ฟังแอบหนีไปพ่อก็เลยไปเรียกกลับมาแล้วก็ทะเลาะ ก, กันทะเลาะไปทะเลาะมาพ่อโมโหก็ปืนยิงลูกตายพ่อลู่ตัวตัวเองทำอะไรไปก็ทำใจไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวเองตายตามไปด้วย อันนี้มันก็เป็นชะตากรรมของของพ่อที่ธรรมะธรรมโมแต่ว่าวางใจไม่เป็นก็เลยมีความทุกข์แล้วก็สร้างทุกข์ให้กับคนอื่นคนดีนี่ก็ต้องระวังนะดีแล้วอย่าดีแล้วก็ต้องมีความสุขด้วยไม่ใช่ดีแล้วแต่ว่าเครียด เครียดพฤติ ด, ดีก็มีเยอะอันนี้ก็ต้องดันั้ถ้าจะถ้าจะถ้าจะดีแล้วก็มีความสุขนี่ก็ต้องมีตัวหนึ่งเข้ามาช่วยคือความฉลาดแล้วคนดีนี่ก็ต้องฉลาดด้วยนะเพราะฉลาดแล้วก็จะทำให้ดีได้ตลอดแล้วก็ทําให้มีความสุขด้วย ฉลาดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฉลาดในเรื่องวิชาการท่นนั้นก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโรงเรียนเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยไปแต่ฉลาดในทางพุทธศาสนานี่หมายถึงฉลาดในการในเรื่องของจิตใจในเรื่องตัวเองไม่ใช่เรื่องนอกตัวฉลาดอย่างแรกคือฉลาดในการรู้เท่าทันกิเลสหรือเท่าทันอุบายของมาร อย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้เนะี่ยมานก็มาคอยรังควานมา น, นี่มันรังควานไม่ใช่แต่เฉพาะคนที่ไม่ดีเท่านั้นนะคนดีมนันก็รังควานด้วยเหมือนกันยิ่งเป็นคนที่ประพฤติทธรรมมุ่งมั่นในการบรรลุธรรมนี่มานยิ่งรังควานหนักมาก ภิกษุภิกษุนีทั้งหลายในสมัยพุทธกาลหรยังถึงปัจจุบันแมะแต่พระพุทธองค์ก็โดนมารมาลังควานมาแล้วมามากแล้วเพราะมานี่ไม่ต้องการให้มนุษย์นี้หลุดพ้นจากอำนาจของมันคือทำความดีก็ทำไปแต่ว่าอย่าอย่าทำดีมากเกินไปจนถึงมุ่งความหลุดพ้นมารไม่ชอบแล้วมันก็มาคอยกวนนะ จริงมารไม่ได้อยู่นอกตัวนะมาอยู่ในใจแล้วนี่แหละเรเรียกิเลสสมานกิเลสสมานก็คอยกวนคอยหลอกล่อหลอกล่อให้เราหลงให้เราทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เราเพลินให้เราประมาทในความสุขประมาทในในในชีวิตนะอันนี้เราก็ต้องต้องฉลาดในการรู้เท่าทันนะ หรือผู้หลงวงคือรู้เท่าทันในในความรู้สึกนึกคิดของตัวเวลามีความโลภความกลรธความหลงนี่มันไม่ใช่ว่ามามาแบบซื่อๆนะมันก็มาแบบมีอุบายสันหาเหตุผลต่างๆพื้อที่ทำให้เรา หลงจมอยู่ในอารมณ์มากขึ้นเวลาอยากจะซื้อของใหม่ๆอยากจะซื้อโทรศัพท์มือถืออยากจะซื้อวิทยุกล้องทงั้งๆที่มีอยู่แล้วนะมันก็หาอุบายว่าซื้อรุ่นใหม่ดีนะจะได้ใช้งานได้สะดวกมีลูกเล่นเยอะเอาไว้โหลดฟังธรรมะก็ได้นะ มันจะเอาธรรมะมาหลอกว่าโทรศัพท์รุ่นนี้นี่มันสามารถจะฟังธรรมะได้ด้วยโหลดโหลดคําบรรยายฟังธรรมะก็ได้ทางด้านที่ลึกๆนี่อาจจะไม่ได้สนใจธรรมะมากเท่าไหร่แต่ว่าอยากจะได้ของใหม่มันก็เอาอุบายมาหลอกมัาลออเราก็ต้องรู้ทันนะรู้ทันอุบายของมารู้ทันอุบายขกิเล เพราะถ้าไม่รู้ทันล้วก็ตกเป็นเหยื่อของความโลภเหยื่อเป็นเหยื่อของตัณหาวัยรุ่นแล้วก็ที่จริงผู้ใหญ่ด้วยนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ฉลาดในเรื่องนี้นะก็โดนกิเลสโดนมารมันหลอกมันลอ่อให้เข้าหาสิ่งเหล่านี้รวมทั้งอบายามุขด้วย สร้นาเหตุผลว่ากินเหล้าสูบบุหรี่มันดียังไงบ้างมันจะได้เข้าสังคมหรือเล่นการพนันนันก็หลอกล่อว่าเ อ, อเล่นนิดหน่อยพอห้าสิบตังค์บาทหนึ่งสองบาท5้าบาทสิ 5, บาทเท่านั้นเองเพื่อความสนุกสนานเพื่อสีสันมันก็ล่อด้วยเหตุผลแบบนี้แหละแต่เสร็จแล้วก็ค่อยถลำตัวเข้าไปจนเสียเป็นพันเป็นหมืน่นยิ่งเสียมากนี่แทนที่จะถอนตัวออกมากับยิ่ง มีเหตุผลที่จะต้องเล่นต่อไปเพื่อจะได้เอาเอาคืนที่เสียไปเสียมือหรือก็ต้องเล่นแสนเลยนะจะได้จะได้ถอนทุนคืนพอเสียเป็นแสนก็เอายอมทุ่มเป็นล้านจะได้เอาถอนทุนที่เป็นที่เสียเป็นแสนคืนมานั่นก็มีเหตุผลที่หลอกล่อให้เราหลงนะ ความโกรัก็เหมือนกันมันก็ลอ่อมันก็ร อ, อให้เราประคองรักษาความโกรัวเอาไว้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันเลวมันชั่วนะนี่เราก็ต้องฉลาดนะในการรู้เท่าทันอุบายของกินอะไของมารนถะ้าเรียนตำราเรียนเก่งเป็นด็อกเตอร์นี่มันไม่ใช่ว่าจะฉลาดอย่างนี้ในฉลาดในเรื่องนี้นะส่วนใหญ่ไม่รู้เท่าทันเพราะว่าไม่ค่อยดูใจตัวเองเท่าไหร่ เราซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษานักปฏิบัติก็ต้องฉลาดในการรู้เท่าทันกิเลส ด, ด้วยนอกจากนั้นก็ต้องฉลาดนะในการที่จะป้องกันไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะข้อหนึ่งเลยสัมมาวายามะคือฉลาดในการที่จะป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นนะ สังวรอินเสียสังวรนี่ก็เป็นอุบายหรือเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทําให้ความทุกข์หรืออกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นอินเสียสังวรคือการสังวรในตาหูจมูกลิ้นกายนะอันนี้มนหม่ไดมาครอบควบคุมควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายนะแต่หมายถึงว่าการที่จะรักษาใจไม่ให้ไม่ให้ฟูไม่ให้แฟบไม่ให้ยินดียินาย เมื่อตาเห็นรูปผู้ที่ยินเสียงเป็นต้นเพราะว่าการที่เราจะหลบจะหลีกให้รูปรถกินเสียงที่ที่ไม่ดีนี่มันไม่ใช่ว่าจะทําได้มันก็ต้องเจอนะเจอกับสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเพราะเดี๋ยวนี้นี่นั่งรถไปในเมืองในกรุงเทพนี่มันจะเห็นป้ายเห็นผ้าต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดโลภะเกิดราคะได้มากมายปิดตายังไงก็ไม่มีทางหนีพ้นเพราะว่ามันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งมีอยู่ทุกอนูในโทรทัศน์ในวิทยุในอินเทอร์เน็ตก็ต้องรู้จักมีอินทซียสังวรคือสังความสังวรสำรวมในอินย์ อันนี้ก็ต้องอาศัยสติสติมาคอยช่วยรักษาไม่ให้จิตใจมันฟูแฟบขึ้นลงไปตามรูปรสกลิ่นเสียงที่เห็นคือพอเกิดความเกิดอารมณ์เช่นเกิดตัณหาขึ้นมาก็รู้ทันอันนี้ก็ต้องอาศัยสติก็ช่วยทําให้มันไม่เกิดการปรุงแต่งจนกระทั่งอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอา อันนี้ก็จำเป็นทั้งกับเด็กทั้งกับผู้ใหญ่ต้องมีอินเสียสังวรแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีศีลด้วยนะศีนก็ช่วยนะีศีนมันก็เป็นการป้องกันได้อย่างเช่นถ้าซื้อศีนแปดนะมันก็ช่วยป้องกันความทุกข์นะป้องกันความโรคหรือปัญหาไปได้เยอะคือไม่ไปข้องเกี่ยวกับมันไม่ไปข้องเกี่ยวกับความบันเทิงโดย่ว่าศีข้อที่ เนี่ช่วยได้เยอะนัะคีตาเนี่ยแต่ถ้าทําตามแบบแผนตามประเพณีมันก็ไม่พอนะมันต้องประยุกต์เช่นแมตาการไปเที่ยวห้างนี่ก็อาจจะถือเป็นศีลข้อเจได้เที่ยวห้างนี่มันอาจจะไม่ไม่เหมือนกับเที่ยวกลางคืนแต่เมื่อส่วนใหญ่ก็เที่ยวเพื่อความบันเทิงให้เห็นสีสันแปลก สมัยก่อนไม่มีเที่ยวห้างนะนักจากขีตตากอทิตานี่มันก็เลยไม่มีเรื่องนี้แต่สมัยนี้ต้องมีก็เป็นการควบคุมไม่ให้เจอไม่ให้อกุศลธรรมมันเกิดขึ้นในใจอันนี้นี่เป็นเรื่องของความฉลาดนะฉลาดในการป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้น น, นี่ก็ต้องมีฉลาดต่อไปคือฉลาดที่ ทำให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันบรรเทาเบาบางลงไปก็คือฉลาดออกจากทุกข์ฉลาดออกจากอากุศลธรรมอันนี้ก็ต้องถ้าไม่มีนะก็ก็โดนมาเล่นงานได้มีความโกรธก็รู้ว่าจะทำให้ความโกรธมันเบาบางได้อย่างไรอย่เช่นรู้จักให้อภัยรู้จักแผ่เมตตา อันนี้ก็เป็นอุบายที่เราก็ต้องต้องเรียนรู้เอาไว้แต่ที่จริงถ้าเราฝึกสติมาสติมันก็เป็นวิธีการที่ดีนะในการที่จะพาเราออกจากทุกข์ได้แม้ว่าจะเผลอใจให้ความโกรธความหงุดหงิดนะความโศกเศร้าเกิดขึ้นแล้คนเราก็ต้องเผลอพอเผลอแล้วมันก็เข้ามาคลองใจ เวลาตากระทบลูกหูเดินเสียงไม่มีสติไม่มีสติในภาษาปล่ให้เวทนาเกิดขึ้นมันก็ปรุงแต่งไปปรุงแต่งได้เร็วมากจากตัณหาอุปทานภพชาติไปเป็นชรามรณะเลยนะทุกขโทมานัตมันเกิดขึ้นเร็วมากเพราะการที่ไม่มีสติในเวลาเกิดภาษาขึ้นมาหรือไม่มีสติในเวทนามันก็ปรุงขึ้นมาความทุกเกิดขึ้นอันนี้เรก็เรียก ว, ว่า อินเสียสังวรนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้มแข็งเพียงพอก็ได้มันก็ปรุงขึ้นมาเป็นความทุกข์เป็นความโกรธเป็นความเศร้าเป็นความท้อแท้ความเบือ่อก็ต้องรู้จักหาอุบายออกจากทุกข์นะออกจากอากุศลธรรมเหล่านี้ให้ไดนะ้ซึ่งสติที่มันช่วยได้มากนะมีสติรู้ทันนะเห็นความโกรธ ถ้าจะพไปไปยายามกดข่มมันนะมันก็มีแต่จะพุ่งพลานนะมากขึ้นอย่างที่บอกไว้แล้ ว, วส่วนใหญ่เวลาเราเกิดอารมณ์เอาขุ่ขวนขึ้นมาถ้าไม่ทำตามมันแล้วก็มักจะไปกดข่มมันคนที่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็ทำตามมันอย่างเดียวกรัก็ดา่ากลัวก็ทำร้ายแต่ต่อมาพอได้ปฏิบัติทำรู้ทำก็รั่วกลัวไม่ดี ก็จะพยายามกดข่มมันนะถ้ากดข่มมันก็ยิ่งทำให้ยิ่งโกรธยิ่งโมโหมากขึ้นก็ต้องมีสติเอาสติมาดูมันไม่ตามแล้วก็ไม่ตานแต่ว่าดูเห็นความโกรธมันคุกกลุนอยู่ในใจนะลองฝึกตรงนี้ดูบ้างใหม่ๆก็โดนมาเล่นงานแล้วก็ไม่เป็นไร จะไปสู้มันซึ่งซึ่งหน้าทีแรกก็ไม่ได้อย่าว่าแต่ความโกรธเลยไม่แต่ความง่วงนะสู้มันซึ่งซึ่งหน้าก็แพ้นันก็ต้องหาอุบายอย่างอื่นเช่นเปลี่ยนอธิยาบททาให้เร็วขึ้นเดินให้เร็วขึ้นหรือว่าเปลี่ยนสถานที่จากที่เดินอยู่ในห้องก็เดินออกมาข้างนอกเดินรอบเดินรอบสระบ้างหรือว่าลองมอง มองฟ้ามองอะไรให้มันโปร่งนๆะก็จะรู้สึกดีขึ้นความสึกอัดความสึกแน่นมันก็ค่อยๆ ค, ค, คลายบางทีเราก็ตามลมหายใจลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆห า, ายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆจิตก็อยู่กับลมหายใจที่เข้าและออกนะทำสักสิบครั้งนะทําสักห้านาทีก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอุบาย อุบายในการที่จะออกจากอารมณ์ที่มันเป็น อ, อกุศลความเครยียดความโกรธหรืออมอุบาย อ, อจากนิวรที่มารบกวนการปฏิบัตินอกจากฉลาดในการออกจากทุกข์แล้วต้องมีฉลาดข้อต่อมานะคือฉลาดในการใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์ใช้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรา ให้เป็นประโยชน์ไม่ไว่าจะเป็นความสูญเสียไม่ไว่าจะเป็นความเจ็บป่วยแม้ว่าไม่ไว่าจะเป็นการถูกตาหนิต่อว่าให้ของพวกนี้เราหนีไม่พ้นนะความสูญเสียความพัดพลา ก, การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักอย่างที่เราสวดประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักพัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักนะพวกนี้นี่มันคือ ความทุกข์ที่เราหนีไม่พ้นไม่มีใครหนีได้แม้แต่แม้จะมีอำนาจเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นผู้มีอำนาจอย่างที่พูดเมื่อวานนะแม้แต่จะเป็นจกักรพรรดินี้ก็ก็ต้องหนีไม่สามารถจะหนีความเสื่อมความไม่จีรังยงั่งยืนได้โดยเพราะความเจ็บความป่วย ความพัดพราคสูญเสียคนรักนะสูญเสียทรัพสมบัติตรวมทั้งสูญเสียอำนาจด้วยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากการเตรียมใจรับมือกับมันโดยมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนี่เราต้องฉลาดในการที่จะเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วย คือเอาสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้มาเป็นเครื่องสอนทำรรโดยว่าสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องไตรลักษณ์ความเจ็บความป่วยก็สอนเราว่าเออ้สุขภาพนี่มันเป็นของไม่เที่ยงนะอย่าไปคิดว่าเราจะมีสุขภาพดีไปตลอดความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนี่เข้ามาเตือนเราว่าอย่าประมาทอย่าประมาทนะแล้วขณะเดียวกันก็จะสอนหรือเตือนเราว่าเรา ดำเนินชีวิตยังไม่ถูกต้องอาจจะ ก, กินอาหารไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าเครียดเกินไปธรรมชาติความเจ็บปวยเข้ามาสอนเราว่าให้รู้จักปรับชีวิตให้สมดุลเรื่องความสมดุลนี้ก็สำคัญมากอย่างที่พูดเมื่อ ท, ทิ้แล้วว่าความสมดุลในในร่างกาย ความสมดุลระหวา่างธาตุนี้ก็สําคัญถ้าไม่สมดุลก็จะป่วยหรือว่าถ้าจิตใจไ ม, ไม่สมดุลนะ ค, คิดเก่งแต่ว่าวางความคิดไม่เป็นนี่ก็มันก็ป่วยได้นะจิตใจของเราหาความสมดุลได้ยากคิดเก่งแต่วางความคิดไม่ได้นะก็ทุกข์หรือว่ามีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญานี่ก็ทุกข์นะมีปัญญามากแต่ไม่มีศรัทธานี่ก็ลาบากเหมือนกัน ให้ความเจ็บปวยนี่มันก็มาสอนเราให้รู้จักอปรับตัวปรับใจให้ได้สมดุลนะต้องมองว่านี่เป็นเป็นของดีนะเวลาเราปฏิบัติแล้วเครียดปวดหัวแน่นหน้าอกนี่ก็อย่าเพิ่งไปหัวเสียกับมันอย่าเพิ่งไปโกรธความเครียดนะส่วนใหญ่ก็ไปเพล่ไปไปเครียดกับความเครียดที่เกิดขึ้นเครียดซ้อนเครียดนะโกรธซ้อนโกรธ มาตั้งสติให้ดีแล้วก็ให้รู้ว่าเออนี่เขากาลังสอนเราว่าเราทำไม่ถูกเรากาลังเพ่งเรากาลังจ้องเรากาลังทำด้วยความอยากเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆผ่อนคลายนะคลายความคลายจิตที่มันคิดจะเอาคิดจะเพ่งคิดจะจ้องคือตึงไปก็ทำให้หย่อนลงไปหน่อยนะทำบาสบาย ถ้าความสูญเสียเสียเงินเสียทองก็เออมันก็สอนเราให้ให้เรามัดระวังมากขึ้นแล้วก็สอนให้เรารู้ว่าให้ความความพัดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ใช่เจอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวหรือเจอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายยจะต้องเจออีกต้องเจอเรื่อยๆไปไหนไนเสียเงินเสียทองไปแล้วก็ให้ได้กําไรบ้าง ก็คือได้ธรรมะกลับมาได้ปัญญา ก, กลับมาว่าเออนะเขามาสอนเรานะให้ความเสียสูญเสียเหล่านี้ถ้าเราทุกข์ก็ให้รู้ว่าเนี่ยเรากําลังทุกข์เพราะความยึดติดถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางนี่เราก็จะไม่มีทางนะสบายได้เลยก็ยังอาลัยเสียดายอยู่นั่นแหละให้ความทุกข์มาสอนเราว่าเนี่ยถ้ายัางยึดติดนะก็จะยังทุกข์ราไป มองให้เห็นเก็บเกี่ยวบทเรียนจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเก็บเกี่ยวบทเรียนหรือว่าธรรมะนะจากเหตุการณ์ไล้ยๆที่เกิดขึ้นถ้าทำงี้ได้เนี่ยเราก็จะฉลาดนะป่วยทุกทีก็ฉลาดทุกทีของหายแต่ละครั้งก็ฉลาดทุกครั้งนะฉลาดในการที่จะเข้าใจธรรมะฉลาดในการที่จะวางจิตวางใจให้เป็น นะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่ดีที่เขาเรียกว่าครอกนะมันล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นมันฝึกใจเราแล้วก็สอนใจเราด้วยนะสอนใจเราให้ให้ให้มีให้เข้าใจนะเรื่องความไม่เที่ยงเข้าใจเรื่องอนิจจังแล้วก็ฝึกใจเราให้มีสติให้มีความไม่ประมาท จะฝึกให้เรามีเมตตากรุณาก็ไดนะ้เวลาเจ็บเวลาปว่วยนี่ก็ลองแผ่เมตตาให้กับ อ, อวิวาร่างกายที่มันปว่วยดนะูอย่าไปโกรธมันแผ่เมตตาให้กับท้องที่กาลังปวดแผ่เมตตาให้กับหัวที่กาลังปวดนะเขากาลังต่อสู้เขากาลังพยายามพยายามที่จะเยียวยาตัวเอง ร่างการก็มีการพยายามเยียยาตัวเองนะแล้วก็มีอาการปรากฏออกมาความรำกาญที่ระ บ, บ่มก็ดีความปวดก็ดีมันก็อาจจะเป็นอาการที่ร่างกายพยายามต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเราก็แผ่เมตตาให้กําลังใจเขาอย่าไปโกรธเขาความเจ็บป่วยนี่ก็สอนให้มีเมตตากรุณาได้หรืออย่างที่พระธีเบรก็สอนว่าเออไอ้ความเจ็บป่วยของเรานี่มันเรากำลังเจ็บป่วยแทนสรรพสัตว์ เรากําลังรับเอาความเจ็บปวดความทุกข์ของสรรพสัตว์มาไว้ที่ตัวเองแต่แทนที่จะโกรธแทนที่จะทุม่มก็เลยเสริมเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจอันนี้เราฉลาดนะในการใช้ความทุกข์เป็นประโยชน์หลวงพ่อกำเขียนใช้คําว่าช่วยโอกาสเราซึ่งเป็นนักเรียนนักปฏิบัติก็ต้องช่วยโอกาสนะให้มองเหตุการณ์เ่านีเน่เหมือนว่ากําลังทําการบ้านครูกําลังให้การบ้านมา การบ้านบ า, บางข้อก็ง่ายบางข้อก็ยากอย่าไปโมโหครูอย่าไปโกรธการบ้านที่พันยากถึงแม้สอบไม่ได้ถึงแม้ทําไม่ได้แต่ว่าพอรู้คําเฉลยเข้าโอ้เราก็ฉลาดขึ้นก็ทําให้เราสามารถจะทําการบ้านที่ยากๆต่อไปได้ในชีวิเราการบ้านก็จะมามันก็จะยากขึก้นเรื่อยๆนะ ที่แรกก็เจ็บป่วยแต่รักษาหายแต่ต่อมาความเจ็บป่วยก็จะรักษาหายยากขึ้นหายยากขึ้นแต่ก่อนกินยา ก, ก็หายแต่ตอนหลังต้องผ่าต้องตัดแต่ตอนหลังนี่ผ่าตัดก็ไม่หายนะมันจะเจอโรคที่ทีนี้รักษาไม่หายแล้วหรือว่าแต่ก่อนก็อาจจะเสียเงิน10บาทยีสบบาทนะ ต่อมาก็เสียเป็นหมื่นเป็นแสนต่อมาก็เสียเป็นล้านต่อมาก็เสียอวัยวะและ้วพิการบ้างอวัยวะมันเสียต้องตัดทิ้งมัง่งนะมันก็จะเสียมันก็จะเจอเรื่องอะไรที่หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเจอกันบ้านที่ยากขึ้นเรื่อยๆเจอกันบ้านที่ยากขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆและถ้าการบ้านวันนี้เราไม่ผ่าน แล้วต่อไปจะเจอการบ้านชิ้นต่อไปเราจะทำอย่างไรเพราะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เจอแล้วก็ตามก็ขอให้ผ่านให้ได้ผ่านให้ได้ไม่ว่าจะเป็นความพัดภาวสูเสียความเจ็บปวดก็ผ่านมันไปได้ถึงแม้ว่าของที่หายไปเอากลับคืนมาไม่ได้ถึงแม้ว่าความเจ็บปวด ย, ยังไม่หายแต่ว่าใจเราไม่ทุกข์นะทำให้ใจเราผ่านไปให้ได้นี่เรียกว่า รู้จักฉลาดออกจากทุกข์แล้วก็ฉลาดในการใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ในชาวผูดเราเนี่ยถ้าจะจะวัดว่าตัวเองเจริญก้าวหน้าแค่ไหนก็ต้องดูตรงนี้ด้วยก็คือความฉลาดในการรู้เท่าทันกิเลสฉลาดในการป้องกันความทุกข์ฉลาดในการออกจากทุกข์แล้วก็ฉลาดในการใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ ถ้าทำแต่งี้ก็ถือว่านะกำลังเจริญก้าวหน้านะก็ลองพิจารณาดูน ะ, ะชาวนี้ก็พูดกันเท่านี้แหละ